ในชั้นของคําสอนที่ท่านบอกว่าตอนนี้อตอนนี้เขาจะเป็นเขตของพระริยาเจ้าเนี่ยเป็นเขตของพระริยาเจ้าห้าพันปีเนี่ยนะห้าพัน 5, ปีเป็นเขตของพระริยาเจ้าตราบใดยังมีพระไตรปิดก ย, ยังมีคําสอนอยู่นาะก็เป็นชื่ออยู่เป็นชื่อว่าอริยะเขตอยู่ตราบนั้นแหละคํำสอนที่ยังอยู่ เ, เรียกอริยะเขต ทำไมจึงเรียกว่าอริยะเขตก็จะเป็นเขตที่สามารถที่จะบรรลุได้ฉะนั้นเรามีโอกาสที่ที่เราไม่มีโอกาสที่ผ่านมาเพราะว่าเราไม่เราไม่ทุ่มเข้ามาจริงๆ่านั้นแหละฉะนั้นเขตนี้มันมีโอกาสโอกาสก็คือว่าหนึ่งพันปีแห่งอายุพระศาสนาเนะี่ยตามหลักของคำสอนเนี่ยเขตของฝ่าละหันที่แตกฉานเนปฏิสัมพันธานนะเป็นเขตของท่าน หลังพันปีไปแล้วเนี่ยเป็นเขตของในญาบุคคลและปะทะประมาบุคคลเท่านั้นถูกไหมกลุ่มทุกวันเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออมันอยู่สองกลุ่มในชั้นคําสอนเนี่ยเนยยะกับปะทะประมาพระศาสนาสมัยนี้เหลือบุคคลสองจำพวกเนยยะบุคคลเนี่ยเจริญสติปัฏฐานมีพอที่บักิยธรรมเป็นต้นเนี่ยอย่างดีแล้วย่อมสามารถบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นในพบนี้ได้ด้วยมีโอกาส อันนี้หมายถึงบุคคลที่รู้ข้อมูลนี้เดินตามพระโตวาทนี่นะบันเป็นในยะนี้แล้วแล้วถ้าย่อดย่อนการเจริญโพธิปาธานะัจเจ้ธรรมแล้วย่อมไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เนี่ยถ้าย่อดย่อนก็ไม่ได้เมื่อไม่เจริญแล้วก็ย่อไมไม่ปรากฏในศาสนานี้เลยนะถ้าบุคคลที่ไม่เจริญได้แล้วเนี่ยจะไม่ปรากฏในศาสนาก็จะหลุดออกจากศาสนาไปก็เป็นเรื่องปกติ ก็ไปนับถืออย่างอื่นไปก็ว่าไปค่ปปอยเยปี่เปลี่ยนเปลียนเปียนก็ว่าไปอันนั้นเป็นหลกักของพวกเราเองการเดินในยศไม่ใหม่สุเดเจดเลยนะไอกระแสจิตของพุรุษชนเนี่ยเวลาเราเริ่มส่งเคราะเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนนะไอการส่งเคาะทีละนิดละนิดแต่มันจะค่อยเปลี่ยนเบี่ยนเบี่ยนเปี่นเปลี่ยนแล้วมันจะเฉลี่ยวเลยนะเข้านะเข้าได้ได้อันนั้นก็ได้มีกระดานก็ค่อยๆส่งเคาะแล้วมันจะออกไปเรื่อยๆๆๆๆไอตึกโพสิชันก็พังไปไม่เป็นหลอกไปไม่เป็น ก็เป็นกันนะอันนี้มันเรื่อปกตินั้นถ้าเราจะเป็นคนหนึ่งในกรณีที่จะเดินค่อยๆเดินเดินเดินเดินค่อยๆออกก็เรื่องปกติเหมือนไงนะเป็นเรื่อปกติแต่มันไม่ปกติสําหรับทั้งสารวัตรนะคือความทุกข์ที่มันออกไม่ได้จริงเลยนะส่วนปัทถปรมาบุคคลเนี่ยถ้าไม่เจริญโพธิปักเจ้าธรรมอย่างดีแล้วเนี่ยถ้าได้นะเจริญปัทถาปรมากนี่เรียกบุคคลระดับ ต่ำสุดยังไมคนมีนนปัญญามาแตการเกิดเป็นต้นอะไรเนี้ถ้าได้เจริญโพธิป่าเกียรติทอย่างดีแล้วสามารถบรรลุในเที่โลกได้น่าชื่นใจไหมสมมตินนะเอาเนี่ยชาตินี้เราได้ไม่ได้บรรลุเราอาจจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่สามารถบรรลุได้เป็นกลุ่มปฐาปรมายใช่ไหมล่ะเช่นกลุ่มพุทธวิอีตุกกาเนี้ยเกิดมาเหยื่อสองไงนะความไม่รู้ความไม่โปรยแต่ด้านของปัญญาเนี่ยเราก็เราศึกษาปฏิบัติสี่ คือสาธุปฏิบัติให้ถูกไอ้ตรงนี้แหละเพียงพยายามไปเสร็จไม่บรรลุชาตินี้แต่ในเทวโลกมีโอกาสเพราะพระอริยมันเยอะนี่เราไปเจอแตระยานมิพระธิยาสายที่เราสั่งสมไหมเขาก็สอนเราสีไปบนนู้นเนี่ยใช่ไหมเออเนี่ยเรามีแนวทางนี้เราบรรลุชัดเจนไม่ต้องเสียใจเลยถ้าจะไม่เกิดเป็นถ้าเราจะไม่ได้บรรลุชาตินี้เอาไปบนเทวโลกเราก็บรรู้ได้แต่ปัจจัยก็คือว่านั่งบอลวันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เราก็เพียงพยายามซิเพียงพยายามนล้เราก็ได้ แต่ถ้าเราประเภทที่ฉมังจริงๆกับชาตินี้เลยประเภทที่โอ้ยประเภทที่เนยยาบุคคลจริงม่ายอมสารวลเออเอาจริงจริงจางๆไปเสร็จแล้วก็บรุษชาตินี้ได้แต่ถ้าไม่ได้บรรลุชาตินะ้นไบรรลุในเทวโลกนี่ช่างครับช่างับสอนท่านให้ให้มุมไว้เลยให้มุมไปเล ย, เ, ลยเออยี่นี้เรามีหวังไหมแต่มันจะไม่ได้บรรลุอยู่คนกลุ่มประเภทที่คิดยังไงรู้ไหม คิดบอกว่าความเห็นที่บอกว่าที่บอกเมื่อพบกับที่บอกว่าความเห็นของคนในสมัยเนี้ยเห็นบอกว่าถ้าบารมีแก่กล้าแล้วจะต้องได้พบเจอกับพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนอย่าคิดแบบนี้นะเมื่อพบกับพระพุทธเจ้าแล้วจะได้แล้วถึงจะไม่อยากหลุดพ้นก็ต้องหลุดพ้นก็งั้นเกาคิดอย่างนี้นะอันนี้คิดผิด เ่คิดผิดเขาบอกอ้เดี๋ยวบารมีมันแก่ก้าเองฉะนั้นพอไปเจอพระเจ้าออแล้วเขาต้องบรรลุอยู่แล้วไม่ต้องไปเพียรไม่ยามอะไรหรอกนี่นีคนคิดแบบนี้นี่ผิดหร่อถูกผิดเลยนี่นนะนี่กลุ่มนี่ผิดประการต่อมาเ็าบอกว่าบลวง่อลักษณะนี้เ็าเรียกไม่เข้าใจไม่เข้าใจคาว่านิยาตานิยาตา เนี่ยต่บคุคคลไปทำกรรมพาดยังไม่ได้เลยเอาอย่างพระเจ้าชาตูเนี่ยถ้าไม่ทำอนันตริยกรรมได้เป็นมรสดาบันพอดเนี่ได้ที่ไหนเนี่ยไม่ได้หรือเศรษฐีบุตรเนี่ยแกเป็นคนระมารในปัจจุบันเนี่ยบารมีกันเต็มนะเนี่ยที่ว่าลูกเป็นแกบะมาทแต่เล็กๆ เ, เลย ที่พระเจ้าไปเจอสองตายายขอทานเนะน่ะคอทานคอทานพระเจ้าก็ชี้เห็นพเห็นมัน้งเขาเห็นเนี่ยสองสองคอทานเนะี่ยตายายเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีถ้าขยันทางโลกนะในปฐมวัยนะถ้าขยันนะจะได้เป็นมหาเศรษฐีตอนปฐมวัยทั้งโลกด้วยแต่ถ้าออกบวชตอนปฐมวัยนะสามีจะเป็นพระอรหันต์ภรรยาจะเป็นพระอนาคาม เนี่ยผสมวัยก็อดอดทั correct, strange, ulative, ata, ur, ้งทางโลกทางธรรมเลยนะเนี um ่ยเอามชฉิมวัยถ sort of ้าขยันตอนมชฉิมวัยนะสองสองขอทานเนี่ยถ้าอยู่ทางโลกจะได้เป็นมัชชิมะเศรษฐีเศรษฐีระดับกลางขยันทางโลกแต่เข้ามาสู่ศาสนาสามีจะเป็นผ้านาคาภรยาจะเป็นผ้าสก่าทาคาเอาผ้าดีอาประชิมวัยนะตอนอายุห้าสิบถ้าขยันทางโลกจะเป็นจุฬาเศรษฐีเศรษฐีน้อยเลยแต่ถ้าเข้ามาสู่ทางศาสนาเข้ามา สามีจะเป็น พ, าาทาทาทาพระสกัถาคาภรยาจะระสงฆ์ก็แต่สองสามีภริยาเป็นได้เพียงขอทานประดุดดังนกกระเรียนแก่ตาบอดหาปลากินเองก็ไม่ได้นี่ไงคนบารมีเต็มมันมีเต็มแต่ขาดอะไรประมาทไม่ขวนขวายอะไรนี่คนมีบารมีนี่มีบารมีนะเนี่ย จริงไหมวัาบารมีเต็มเจอพระจยาเรารรล้เองไม่ไม่จริงเลยเนี่ยนี่ไม่จริงเลยเนี่ยนีเต็มแล้วไงทำไมไม่ได้บรรลอ่ะนิทานเพราะอธยาใสยที่ตั้งไว้ว ม, มันพิดมันผิดยมตั้งไว้ผิดรักพระจยาน้อยจาน้ำคมไม่เข็งแรงไม่เข็งแรง ตรงนี้ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะนมันจะได้นะแล้วมันได้ขึ้นมาเองถ้าบารมีมันเต็มแล้วไปเกิดที่อื่นให้เจอพระพุทธเจ้าจอบเอีเจเ อ, อหรืออย่างคนฉลาดทางโลกอย่างนักวุยาศาสตร์ชั้นยอดที่เขายกย่องกันที เห็นไหมเนี่ยไอไ้ทรายดูสิเนี่ยเราได้อะไรเนะี่ยเราได้อะไรซึ่งเราเขียนยกย่องมันอยู่เราได้อะไรเนะี่ยมันไม่เกิดผิดที่จะยิงง่ายคนมีปัญญาแเราไปรู้ไหมเนี่ยเราเสียโอกาสอีกยุ่งหนี้ไปอย่างนี้นี่ไม่มีอาทยาใสา่ถ้าคนบคนตั้งอาทยาศัยได้ยินเขาพูดโทนี่อยู่ไม่ไหวในประเภทเนี้ยบรรลุได้ยินเขาพูดโทนี่อยู่ไม่ไห ว, ไไไวแล้ตื่นเต้น เราได้ยินเขาพระเจ้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแ้่เราเสียงลูกร้องเลยนี่มีบากเลยเนี่ยลูกร้องตื่นเต้นก็เยอะนั่นนึงเ น, นี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือคื อ, ค อ, คอต้องเข้าใจนียว่าเออถ้าถ้าในยะถ้าปัทะประมา ก, ก็มีโอกาสแต่ต้องเจริญติดในใจโอ้เราเรียนไม่ไหวเราฟังธรรมะไม่ได้แล้วอันนี้ไอนนนน้นี่นี่นี่จะเป็นประเภทไหนเนี่ย ลำบากเนี่ยอย่าไปคิดอย่า ง, งา น, ออนีน้อยู่แล้วังไม่หัวกฟังยอะฟังไปจะฟังไม่ถูกก็ได้แหละฟังวันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เข้าใจใ<ช>เราเรื่องบางเรื่องนเน่ะอามาเป็นสัเกตคนที่เขาฝึกเรียนภาษาังผิดไม่ใช่ภาษาเราเลยใช่ไหมไปนั่งฟังอยู่น่ะเฮ้ยเล่นหลายรอบนี่นึกในใจออกมาว่าเออท่นฟังทำไมอย่างนี้ก็เก่งนี่เนี่ยน่ากฎหมายบางคน บางคนเป็นห น, น้าการเมืองนี <c ười> <c ười> ่นะขึ้นขึ้นรถปุ๊บเนึ่ยเปิดอะไรหรือไม่เปิดกฎหมายฟังเขามาอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนึกยิ่งใจโอ้โหที่ฟังธรรมะไม่รู้เลยพวกเนี้ยใช่ไหมล่ะเขาก็กฎหมายไว้สู้กันแค่นั้นเองมีแล้วเนี่ยเขาตั้งใจฟังจริงๆนะไม่หลับไม่นอนฟังหาแง่มุมหาข้อมุมหาหาเลี่ยงเหมือนทนายอ่ะจิ้หาเลี่ยง แล้วทำไมไม่มอง ม, มุมคำสอนอย่างนี้บ้างอ่ะอ๊ะเข้า ม, มุมนี้เข้า ม, มุมนี้สึกาบยิงยิงยังไะเอ๊ะในเออทําไมก่อนมาอยู่ที่บ้านมีคนรู้จักกันเขาเป็นในพานในพานเน่ยเขาเลี้ยงหมาไวเ้เยอะหมาตัวไหนกลับไม่ปล่อยเขาเอาไว้ถ้าตัวไหนขอไฟในสุนักตัวไหนกลับไม่ปล่อยเขาอุณิช้ได้เขาให้อาหารกินอย่างดีเล้ เจอในกาดระวางกัดระวางก็ใช้ไม่ได้เนี่ยเจอต้องสอนแล้วก็กลับติดที่ฉะนั้นล้วกลับติดอย่าไปปล่อยกลับค้างเลยไม่ได้กลับค้างกลับค้างเขตพริยศเจ้าเนี่ยก็คือก็ห้าพันปี แ ต, แต่ยังมีคำสอนอยู่มันยังมีโอกาสนะเนี่ยพวกเอง 2,500 กว่าปีเนาะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่มันนั่นแล้วก็มีสายที่เต่ตรงกับคำสอนอยู่นะไอมมีเลย3าม0ียายาเสื่อมยังไม่เสร็จต้องาพผ้า3ั0ปีค่อยๆเสืเอมอ๋อสารนะไอ้คำว่าคาว่าเสื่อมก่อนมันค่อยๆพังไปทีลนะคำพีนี่ก็ไม่เป็น คือคือตรงนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลอามาไม่เคยกังวลศาสนาเสื่อมเลยนะอามากังวลว่าตัวเองจะตกจากศาสนาเนี่ยมันกังวลตรงเนี้ยถามว่าถ้าศาสนาจะเสื่อมกับเราตกกระจากศาสนาไหนหน่ากลัวกันเอเอตรงเนี้ย ถ, ถ้าใครบอกว่าวุว่นกลัวศาสนาจะเสื่อมจะเสื่อมมันอามาไปอบกลมพระทรมาทูแต่ามาก็ไปถามคือท่านรักศาสนากันอามาฟังก็ชื่นใจ มาก็ถามท่านว่าไอ้ทศศาสนาเสือ่อมแต่ท่านตกจากศาสนาเนี่ยในหน้าโกท่านก็นั่งคิดคิดไปคิดมาท่านบอกเอ อ, เ อ, อน้าจะตกจากศาสนาพรอตรูุที่ตอนนี้ตกไปยังตอนนี้ศีลยังครบไหมเออศีลยังครบอยู่ไหมถ้ามันไม่ครบแบลวมันเริ่มจะตกเริ่มนั่ น, น <laughs> แ่เจ้นายแเราก็มาดูที่พวกเราเนี่ยเป็นอุบาสกปัสกาเนี่ย เออตอนนี้เราเราตกจากศาสนามันตกดูตรงไห น, น, นดูข้อศีกขาบทขึงเรา่าถ้ามันตกไปเป็นเศษเนี่เราจะรักศาสนายัางไงศาสนาม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยก็เราเป็นผู้ที่ตกจากศาสนาไปแล้วเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งไปแล้วพระาราชนาธรัยไม่ยังอยู่ในกระแสชีวิตแล้วก็กลายเป็นผู้สู่ เอ่อพ ah, right th right, th ุทธญาติบอกกับเจริญถาพิคเวจาริการบูม <heart>. so ุชนะอิทายาโรชนะสุขายโรการบอบายาินบอกว่าดูก่อนคิดสูทั้งหลายเราเป็นผู้ควแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ที่แปลว่าอะไรเนี่ยแม่เธอทั้งหลายก็เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากบ่วงนั้นที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แปลว่าอะไรรู้แปลว่าท่านพราศาสนาท่านจิจของท่านสาเร็จแล้วฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายยังเที่ยวจารีไปเพื่อประโยชน์ถือชนูมากแต่พวกเราต้อง จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนนรรมสการเท่านั้นน่ะอยู่เลยความตรัสรู้เดียวพระเจ้าความเป็นธรรมเดียวเอาตัวเองให้รอดอย่าเป็นห่วงอย่าไปดูข่าวตอนนี้อิสลามมาถึงนู่นแล้วกังวลเลกลัวอิสลามมันจะมาทังในใจมากกว่านอิสลามคือราคะคือโทสะคือโมหะคือมานะทิฏฐิวิจิตรใจคือการเล่กระเพราอุเทจัยตัวเนี้ยตัวจริงอยู่ตรงเนี้ยอันนั้นมันตัวปลอม อด่างน้ว <Bear bur apping> ่าเออตัวนี้เราทำลายศาสนาในใจเรานี่แหละน่ากลัวไหมตรงนี้เออตัวนี้น่ากลัวพอทำลายเสร็จตู้เลยตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาใครถามปัญหาอะไรเอาเหลือ5นาทีเองเมื่อกี้เมื่อกี้ใครถามปัญหาเรื่องงานบริบบศเออนี่ไงใอ่อหมโอ้ นั้นถ้าบอกว่านางปตาจรลาคือใครคือยอมสำรวยใช่ใช่เลยยังไม่มีการไม่เพราะนางปตาจรลาไปเฝ้าพระเจ้าจึงได้บรรลุแต่เราไปเฝ้าคนอื่นมาเราเราเราไปเฝ้าคนอื่นเราจึงได้ไม่ได้บรรลุ เราเป็นปัตาจลาดื้อใช่ไหมล่ะนั่นปตตาเจลาท่านรับฟังพุทธโอวาท ด, ด้วยดุสเดียภาพด้วยความนอบนอ้อมอ้าวมีใครจะตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจสภาพของอาตภาพตรงนี้ก็ยังความเข้าใจให้ชัดขึ้นเมื่อยังความเข้าใจในทุกขัสัตมนั้นให้ชัดขึ้นมากเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแต่จงดูทุกเนี่ยนะด้วยสติสัพชัญญะ แต่จะไปอยู่พบอมด้วยทุมันนะอันนี้อันนี้สำคัญมากคือให้เข้าใจทุกข์นั่นแหละการกล้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับทุกข์เนี่ยแต่ไม่ใช่เผชิญหน้าก็าจะแบกมอนมาไว้แต่เมื่อรู้จักทุกข์ที่แท้จริงแล้วจะได้รู้เหตุของมันอย่างแท้จริงว่าไอ้ไอ้การที่เราเห็นทุกข์มันไม่ชัดนี่แหละเราจึงไม่กล้าที่จะถอนเหตุของมันยริงๆช่วยตัวตัณหาทั้งหลายนี่แหละ แต่พอทุกข์มันบีบบีบคั้นมามากขึ้นมากขึ้นน่ะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยพุเราก็จะเริ่มหาพุทธโอวาสเพราะพุทธโอวาสก็เริ่มพุทธิย่าสอนให้ให่ควรเขาเห็นไหมพุทธิย่าจะสอนตั้งแต่การเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยยิ่งเห็นมากเท่าไหร่อันนั้นแหละบ่งบอกว่าสภาวะทุกข์เนี่ยมันชัดกับเรามากขึ้นแล้วถามว่าคนที่เขาเห็นทุกข์จริงๆน่ะเห็นจนไม่เอาจริงๆเลยเนี่ย เห็นทุกอย่างมันมันเป็นที่ตั้งของทุกหมดเลยอ่ะเป็นที่ตั้งของความเกิดแก่เจ็บตายหมดแม้บุตรก็เป็นที่ตั้งของความเกิดแก่เจ็บตายวิบัติเพล่าผ้าพระเจ้าบอกว่าเนปาราสาสีสูตรเน่ะพุทธเจ้าการแสวงหาไงบอกว่าการแสวงหาบุตรก็คือการแสวงหาเกิดแก่เจ็บตายโศกล่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจกับแค้นใจการแสวงหาทรัพย์ ก็คือการแสวงหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติภัตตาภเห็นไหมการแสวงหาเกียรติยศก็คือการแสวงหาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติภัตตาภเป็นต้นความผิดหวังไล่มาทั้งหมดนั้นการแสวงหาอย่างนั้นท่านก็จะบอกเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเพราะเป็นการแสวงหาความเกิดแสวงหาความแก่แสวงหาความเจ็บแสวงหาความตายแต่ท่านก็เลยบอกอย่างนั้นเลยเราจะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐก็คือการแสวงหาพระนิพพาน โอ้การแสวงหาปฏิาพานธ์ก็คือการเจริญสติเจริญสมบัติชัญญยะในการระลึกถึงพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นไอท้ทุกข์กริย์บเนี่ยยิ่งปรากฏชัดเท่าไหร่กับกายเป็นเรื่องดีแต่เพียงว่าเราไม่ได้ไปแบกทุกข์ไว้ในฐานะที่เป็นผู้ยอมจอมยอมจำนนมันไงแต่เราโอ้ไอท้ทุกข์เหล่านี้มันอะไรเป็นตัวสร้างขึ้นมานี่ไอ้ตัวปัญหานี่เองไอ้ตัวความทยานอยากและความทยานอยากมันจะละได้ด้วยอะไรเนี่ยโอ้มันจะละด้วยศีรษสาม อ๋อเพราะกูสวนฤษีเราไม่แข็งแรงสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนี่ยไม่แข็งแรงเราจึงถอนเหตุของทุกข์ไม่ได้มันไม่ใช่ไปรักที่ลักที่ตัวทุกข์ใช่ไ้มล่ะแต่ทุกข์เป็นตัวที่กําหนดรู้เพื่อเห็นหน้าตามันจริงๆว่ามันทุกข์จริงๆมันทุกข์จนไม่อยากไม่อยากจะสัมผัสที่สุดจริงๆไงสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยไม่เป็นที่ตั้งขนาดเช่นไปที่บุตก็ไม่ใช่เป็นที่ตั้งของความมีดีเพื่อเพลินซับก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งของความมีดีและเพื่อเพินนี่เป็นไปตัวการถ่ายถอน ตรงนี้เราก็เดินก็ามาสู่สิกขา 3. สาศีลก็จะถอนกิเลสสมาธิก็จะถอนกิเลสปัญญาก็จะเป็นการลากักกิเลสได้อย่างเด็ดขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมาจากการเห็นทุกข์นั้นทุกข์จึงเป็นประโยชน์เข้าใจตรงนั้นคือลูกอาศัยท่องเราเกิดในถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันจารีศีลที่พึงปฏิบตัติต่อลูกมีอยู่เราไม่ใช่ลักลูกนะเราถึงปฏิบัติแบบนั้นแต่เราลักศีลของเราเพราะศีลเป็นอรยิยสาว เราจรึงต้องปฏิบัติว่าเออเราต้องให้ทําแนะนําในทางที่ถูกให้การให้ให้การแนะนําแล้วก็แนะนําให้มีการศึกษาหาครอบครัวแล้วว่ารปตามนันดับอันนั้นก็แล้วไปแต่ประเด็นมันอยู่ตรงว่าหนึ่งเราก็ต้องทําหน้าที่ถามว่าการทําหน้าที่ตรงนั้นมันเป็นเจตนาศีลไอ้เจตนาศีลถ้าเราเห็นสาระคมจริงเราจะรู้ว่าไอ้ตัวเจตนาศีลที่เราต้องทําเนี่ย ถามว่าทำไมนางวิสาขาถึงเลี้ยงลูกและเลี้ยงหลานได้ดีมากเพราะเธอมีเจตนาศีลที่ถูกต้องเป็นจารี่เธอต้องทําวัดปฏิบัติให้บริบูรณ์ความเป็นอุบาสิกาไม่ใช่เธอรักเลี้ยงลูกนะรักบุตรรักหลานนะแต่เธอรักศีลทังตน ร, รักศีลทั้งตนมากกว่าบุตรมากกว่าหลานก็ต้องบอกเขาว่าลูกที่แม่ปฏิบัติต่อลูกดีอย่างเนี้ยไม่แม่รักลูกได้ตัญหา แต่รักแบบเมตตาไม่ใช่รักไว้ยึดว่าลูกเราลูกเราลูกเราแต่เรารักศีลของเราศีลเป็นอรลัยทรัพย์แม่ต้องรักษาวไว้เพราะศีลจะรักษาชีวิตของแม่ให้พ้นจากอบายภัยและพ้นจากวัฏจุกแม่มีศรัทธานในพระบรมศาสดาแม่จะมีความเพียรประคับประคองศีลตนเองแม่จึงมีเจรนาที่จะทำศีลห้เกิดขึ้ น, นต่อเนื่องในการปฏิบัติต่อลูกเห็นไหมมันเป็นตัวความรักอะไรกันเนี่ยเนี่ยรักพระธรรมตรยัย เราจึงปฏิบัติต่อรูปแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นรักแบบเก่าแบบปัญหาราคายึดติดพอลูกเจ็บมือเราแม่เราเจ็บใจเนี่ยนี่มันคืเรื่องอะไรเดนเนี่ยเห็นไหมว่าคนบางคนโอ้โหรูป ก, ก็คือกล่องลงใจเลยนึกเกินเห็นแล้วนะเดนเนี่ยไม่ใช่แล้วทำไมบอกพันตุ์นาตรเป็นกล่องลงใจของเราฉะนั้นเราต้องปฏิบัติรักษา รักษาเลยรักษากล่องดวงใจของเราให้ดีใช่ไหมล่ะอยากให้กล่องดวงใจคือแก้วสามประการตกมันแตกต้องดูแลให้ดีตัวศรัทธาเนี่ยเป็นรนะัตตนาไหยต้องถือให้ดีไหมอย่าให้ตกอย่าให้ร่วงประคองไว้รักษาให้ดี บางคนเนี่ยพอได้รัตนามาแล้วเนี่ยรัตนาที่รักษายากอยู่แล้วก็ทิ้งแตกทิ้งแตกใช่ไหมลูกต่อไปเราไม่แล้วศีลก็เป็นรัตนาศีลก็เป็นรัตนาสมาธิปัญญาก็เป็นรัตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นรัตนาเป็นแก้วเป็นแก้วสามประการที่มันเลิศประเสริฐที่สุดเราจะรักษาแก้วนี้ยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าเอ ว, ยวายิ่งกว่าทรัพย์ใช่ไหมลูก ถ้ามหลนแตกไปแล้วเนี่ยพังในชีวิตพังนะเนี่ยฉะนั้นต้องประคับประคองเขาไว้ประคับประงมเขาไว้พรตราชกิจอะไรเนี่ยให้รักษาให้ดีมันดูแลเช็ดถูปฏิบัติให้ถูกฉะนั้นที่เราปฏิบัติกับคนทุกคนเนี่ยเราไม่ใช่ไปรักไปยึดติดเขาเอามามาสอนว่าทำเนี่ยอามาไม่ได้มารักโยมยึดติดโยอมนะเอามารักพระราชกิจไตรนะมาถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงมาสอนว่าทำเนี่ย อมายเห็นอะไรเนี่ยอามาเห็นจารีศีนก็มาด้วยเอออมายเห็นจารีศีนออกมาด้วยในฐานะที่เป็นพระสงฆ์เนี่ยเอออามาทําไมต้องกล่าวตามพุตโตว่าเพราะอมารักษาพระรัตนตรัยในใจของมาด้วยนะอามาจะกล่าวผิดๆตูกๆอามายกล่าวไปทําไมถามว่าถ้าอมาจะเอาไปทําไมของพวกนี้เกียรติยศเอาไปทําไมมันรักษากระแสชีวิตอมาไว้ได้ เอาไปไม่ได้หรอกญาติโยมเอามาอยอาไกปทํา ไ, ไมเออมันต้องการอาาภัยโทษให้ออกมาได้ที่ไหนลูกไม่ได้หรอกแต่ศีลที่เอามาตั้งใจในการกล่าวพระธรมรมจิตที่เป็นไปกับเมตตาใช่ไหมจิตที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อพรแล้วก็ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นแล้วกล่าวพระธรรมโดยจิตมุ่งหวังว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พรอปู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่ผู้ศึกษาปฏิบัติจักเินได้ชัดด้วยตนเองเป็นธรรมที่ควรแก่การจะบอกให้ผู้อื่นมาให้พ่อพิสูจน์ให้มาประพฤติปฏิบัติและเมื่อมาพิสูจน์มาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านผู้ฟังว่าธรรมเมื่อฟังแล้วจักเขียนนี้เองในใจว่าเพราะธรรมว่าย่อมเขตยและผลอย่างนี้จริงๆและในขณะที่ฟังนั้นตั้งจปปิตไปแต่ศรัทธากิเลสในใจของท่านยันลดหมดไปจริงๆนะ้ ฉะนั้นเมื่อท่านเห็นแล้วเข้าใจอย่างนี้ท่านจงศรัทธาพระธรรมเป็นธรรมดีซึ่งธรรมานั้นเป็นของพระสามมาสำมฤทธเจ้าอามาอยู่ในฐานะที่เอามาบอกกล่าวแต่แต่โยมเป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าตามพระธรรมเนอะเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นสังฆนะตรงนี้ไงฉะนั้นอามากับโยมก็ก็ทำหน้าที่กันอามาทํหน้าฐานะเป็นเป็นพะที่ให้พระธรรม โยรรมทำหน้าทีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิก า, าฟังพระธรรมโดยความเคารพออกมาก็แสดงธรรม้วยความเคารพทั้งสองกลุ่มเคารพใครเคารพพระรัตนตรัยอามาเคารพพระรัตนตรัยอามากาล่าวด้วยความนอบน้อมเนี่ยไม่ใช่เคารพโยมอามาเคารพพระรัตนตรัยเคารพพระเจ้าเคารพพระธรรมประสงค์โยมก็เคารพพระรัตนตรยตัยเป้าหมายคือให้รัตนะเนี่ยทำรัตนารักษากระแสชีวิตเพื่อจะได้พ้นจากภัย ซึ่งเราเห็นตรงกันแล้วว่าไทยในสังสารวาัตรมันน่ากลัวแต่มีสารณะแล้วมีที่พึ่งมีเครื่องกาจัดไทยได้จริงอยู่ฉะนั้นเราก็ยึดพระรัตนตรยัยตอนนี้เราต้องเชื่อพระรัตนตรัยให้มั่นคงจนกว่าเราจะได้เป็นพระรหารเราจะได้ประกาศตนเองว่าเป็นอัสสัตติยะเราไม่ต้องเชื่อใครเพราะเราไปจับชัดด้วยตนเองแล้วแต่อย่าลืมนะว่า ศรัทธาเนี่ยเกลื่อหนุนไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆที่สุดริงเป็นปัญญาพอปัญญาไปแทนตลอดสัจจะตามความเปจริงเสร็จโยมก็เป็นอิสระเสรีภาพไม่ต้องขึ้นตนต่อใครดีไหมเล่าตอนนี้ชีวิตมันเป็นเสรีภาพที่ไหนเลยเนี่ยทั้งภายในก็ไร้เสรีภาพภายนอกก็ไร้เสรีภาพเราเป็นคนไม่มีเสรีภาพแต่เราไปเรียกร้องเสรีภาพผิดใช่ไหมเล่า พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนคำสอนแล้วได้ประลุแล้วจะเป็นผู้มีปิติเสรีภาพมากเลยคือไม่ต้องขึ้นตรงต่อกิเลสใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปยอมต่อกิเลสอีกต่อไปเอ็งก็พูดเข้าใจวะเข้าใจไหมพูดยากอีกเหรอยากแม่ก็ไม่ค่อยทำแต่ก็คือทำเวลหน้าซีตีี่ไม่เจ็บ นี่ประเด็นอยู่ตรงไหนคำว่าไม่รักนะไม่ได้ต้องบอกว่ารักแม่รักลูกแต่รักด้วยเมตตามีความรักความปราถนาดีเอื้อพรแต่ไม่รักด้วยตัณหาฮนขหมกาไม่รักไม่รักอ๋อ อ๋อคือตรงนี้ต้องมาทําความเข้าใจใหม่แล้วว่าความรักด้วอเมตตาเนี่ยเขาเรียกว่ารักแท้รักแท้ไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะรักแท้ที่เป็นไปกับเมตตานั้น่ะเป็นไปเป็นปัจจัยต่อการพ้นจากวัฏจัทุกข์แต่รักที่เป็นตัญหาเนี่ยมันคือความรักก็คือความทุกข์เพราะตัวตัญหาเนี่ย คาว่าความรักคือความทุกข์เนี่ยต้องพูดใหม่ความรักน่ยเป็นเหตุของทุกข์และตัวความรักคือตัวตัณหาเขาเป็นตัวทุกข์ด้วยเอาต้องพูดอย่างนั้มันจะถูกเพราะมันนํามาสร้งชาติที่ทุกข์ชราทุกข์พยาที่ทุกข์วันละทุกข์บางทีเราไปสอนว่าอย่าไปรักมันทุกข์ไยมันจนมันกำปลวมมันต้องรักแบบเมตตาเมตตามันไม่ยึดติดแต่มันรักและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องคาว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องก็รักอะไร รักเมตตารักดูศีลจารีศีล ร, ระพร a t h ต n a tray จึงต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างดีอย่างบริบูรณ์อย่างดีที่สุดและในขณะที่ปฏิบัติไปก็ไม่เครียดไม่กลุ้มปฏิบัติไปได้วยความรักพระ t h a น a ตรยัยตามพุทธโอวาทชัดเลยเห็นไหมว่าทั้งหมดเหล่าเนี้เป้าหมายของความพ้นทุกข์ ทำไมเราต้องมาเพียรพยายามเพียรพยายามในการประคองจารีสีในการปฏิบัติหน้าที่เพราอความเป็นแม่เพราอความเป็นลูกก็เพราะเรารับพระรัตนตรยัยม ร, รับพระรัตนตรยัยเพราะพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นธงชัยนํากระแสะชีวิตเข้าสู่พระนิพพานเพื่อดับทุกข์เราจึงต้องทําหน้าที่ดีๆอย่างนี้เต็มความสามารถใช่ไหมใช่เท่าที่จะทําได้